บทที่แปดโรงเรียนวัดโบสถ์ปีการศึกษานี้โรงเรียนวัดโบสถ์รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยม1จําจำนวน40คนมีนักเรียนจบจากโรงเรียนชั้น ประถมมาสมัครสอบทั้งหมด90สคนเด็กชายจเจริญจรุนรัตจะต้องสอบให้ได้คะแนนชนะคนอื่นๆห้าสิบคนเป็นอย่างน้อยจึงจะได้เรียนโรงเรียนวัดโบสถ์วันประกาศผลสอบยายอุตสาห์ไปฟังด้วยชื่อของหลานชายคนโปรดอยู่ลำดับที่4ี่สิพอดิบพอดีแม้ยายจะอ่านหนังสือไม่ออก แต่ก็รู้ได้การขอให้คนที่อ่านออกช่วยอ่านให้ฟังจะเชื่อแต่หลานชายคนโปรดหาได้ไหมด้วยเคยถูกหลานหลอกมาหลายครั้งหลายคราจนละอาในหัวใจที่จริงผมจะเอาที่หนึ่งก็ยังได้แต่กลัวคนอื่นก็จะคอม็มนและเอาสุดท้ายดีกว่าเด็กผมแก่ อ, อุตสาคุยอวดยายถึงอย่างนั้น ก็น่าจะเอาที่สองไม่น่าจะเอาที่โลแบบนี้ยายอดขัดคอไม่ได้แต่ที่สุดท้ายมันโก้กว่านยายเพราะใครๆก็ได้เห็นชื่อเราเขาก็จำได้หลานชายไม่ไวโอแต่ยายเสียวนะสิเกิดพลาดพลั้งไปนิดเดียวก็อดเรียนกันโธ่มือฉันนี้แล้วยายรู้ไหม พอผมรู้ว่าเขารับ40คนผมก็บอกตัวเองเลยว่าผมจะต้องสอบให้ได้ที่40มันทำยากกว่าการสอบได้ที่หนึ่งิอีกนะยายเพราะเราต้องเดาใจเจ้าคนที่มันได้ที่39กลับที่41ต้องคเนดูว่ามันจะทำคะแนนได้เท่าไหร่แล้วเราจะได้กะให้แพ้คนแรกแต่ให้ชนะคนหลัง คนสอบได้ที่สุดท้ายคุยจาะครั้นเมื่อเข้าไปราย ง, งานตัวกับครูใหญ่คนที่คุยก็น่าจอยลงไปถนดัดล้านป้าจางโชคดีนะครับผมนึกว่าจะไม่ได้เรียนเสแล้วเพราะแกสอบได้ที่ส1อพอดีคนที่ได้ที่หนึ่งเขาอยากจะไปเรียนที่บางกอกก็เลยสละเสธิ์ผมจึงขยับคนที่ได้ที่สองมาเป็นที่หนึ่ง คนที่ได้ที่41สิบเอ็ดก็เลยเลื่อนมาเป็นที่สี่สิบเด็กชายผมแกะทำหน้าปั้นยากเพราะถูกยายเยาะเย้ยด้วยสายตาเหมือนจะบอกว่าไอ้หนูยังจะมีหน้ามาคุยอีกนะ แล้วเสื้อผ้าต้องซื้อใหม่หรือเปล่าจ้าครูฉันหมายถึงชุดนักเรียนนะ่ะยายถามหากใช้ของเก่าได้ยายก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อหามาให้เขาใหม่คงต้องซื้อใหม่ทั้งชุดนักเรียนและรองเท้าถุงเท้านั่นแหละป้าเพราะเครื่องแบบนักเรียนมัธยมกับนักเรียนชั้นปฐมไม่เหมือนกันอ๋อและต้องมีเสื้อ ย, ยืดคอกรมสีขาวสาหรับ เรียนวิชาพละศึกษาอีกคนละตัวยายฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจอะไรที่ต้องเสียเงินยายจะไม่สบายใจเอาไว้ก่อนออกจากโรงเรียนแล้วหลานชายก็ชวนผู้เป็นยายไปซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าถุงเท้าเพราะเหลืออีกไม่กี่วันโรงเรียนก็จะเปิดยายซื้อกระเป๋านังสือให้ผมใหม่ด้วยนะครับหลานชายบอก ครูเขาไม่ได้สั่งยายตอบห้วนๆแล้วยังอ้างครูเป็นสักขีพยานอีกด้วยแต่ใบเก่ามันขาดแล้วขาดอีกผมอายเพื่อนทำไมต้องอายหรือเมื่อเราไม่ได้ไปลักขโมยของใครเข้ามาไม่เป็นไรมันขาดตรงไหนเดี๋ยวยายจะเย็บให้ไม่ต้องรอกครับเสียเวลาทำงานยายเปล่าๆ เ, เดี๋ยวผมไปขอเงินแม่ซื้อก็ได้ เด็กชายบอกนับแต่วันมีเทศที่บ้านยายครั้งหลังสุดเขากับบิดามานดาก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเมื่อได้ประจักษ์ชัดว่าตนยังเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองความอึดอัดขัดข้อง้ดยน้อยเนื้อต่ำใจพลันมาลายลงสิน้นเองจะทำอย่างนั้นไม่ได้ประเดี๋ยวพ่อแม่เองจะมาว่ายายแม่รับผิดชอบ ยายห้ามได้เกรงจะเสียหน้าตั้งแต่เอาหลานมาเลี้ยงก็ไม่เคยไปรบกวนเรื่องเงินเงินทองทองจากลูกสาวเลยถ้าเช่นนั้นยายก็ต้องซื้อให้ผมเด็กชายพูดอย่างเป็นต่อตกลงซื้อก็ซื้อยายตกปากรับคาโดยง่ายจนคนเป็นหลานรู้สึกแปลกใจแต่ต้องเป็นปีหน้านะ ปีหน้าฟ้าใหม่ยายคงรวยกว่านี้เด็กชายหมดแรงไม่อยากจะรบเรา้าจินประชดว่าเอาเถอะครับจะเป็นปีหน้าหรือชาติหน้าผมก็ไม่ว่าทำยังไงได้อยากเกิดมาเป็นหลานยายจางขี้เหนียวก็ต้องอย่างนี้แหละยายไม่พูดว่ากะไรก็ชนะแล้วยายจะต้องพูดอีก ต่างเดินกันไปเงียบเงียบกระทั่งถึงร้านขายเสื้อผ้าเด็กชายได้เห็นความตรณีเหนียวแน่นของยายชัดเจนยิ่งขึ้นก็คราวนี้เพราะกว่าจะซื้อได้ยายก็เข้าร้านนั้นออกร้านนี้จนครบทุกร้านเพื่อเปรียบเทียบราคากั น, เ, นเจ้าของร้านที่เป็นคนไทยแทบจะไล่ยายออกจากร้าน หน้าเงาหน้างอเหมือนนางกวักที่เขาอุตส่าห์ตั้งไว้หน้าหิ้งพระเพื่อเป็นเคล็ดในการเรียกคนเข้าร้านส่วนเจ้าของร้านที่เป็นคนจีนกลับมีน้ำอดน้ำทนยิ้มแย้มแจ่มใสแม้ยายต่อรองราคาลงมาตั้งครึ่งตั้งค่อนในที่สุดยายก็พาเข้ามาที่ร้านตะแปะ๊ะ ที่เขาเขโมยเงินกลมของยายมาขายให้เป็นประจำว่ายังไงอติวันนี้เรือมีเงินกลมมาขายอีกระเปล่าตะแปะทักทายเด็กผมแกละขยิบตาทำปากขมุบขมิดเป็นสัญญาณว่าห้ามพูดเรื่องเงินกลมต่อหน้ายายตะแปะพูดฉลาดและเฉลียวจึงหันไปพูดกับยายว่า สวัสดีครับคุณยายวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับร้อนจะตายหรือยังว่าอากาศดีสงสัยไม่เต็มเต็งยายว่าเอาดือด้อรับรับร้อนก่อร้อนเขารีบคล้อยตามแต่ท่าทางหงุดหงิดของยายตับแปะชัดใจฝ่อ หากก็ต้องทำใจดีสู้เสือด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ร้อนจัะไม่ใช่ร้อนอะไรอยู่เมืองไทยมาตั้งนานยังพูดภาษาไทยไม่ชัดยายถือโอกาสสอนภาษาไทยให้ตับแปะทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยเรียนหนังสือเมื่อกี้หรือว่าอะไรได้ยินเสียงเงินกลมเงินกลม เด็กผมแกรตกใจคิดว่ายายลืมไปแล้วซิอีรีบแก้ตัวแทนตะแปะว่าเขาพูดกับตาคนนั้นต่างหากตาคนที่เดินออกจากร้านตอนเราเข้ามาน่ะใช่ไหมอับแปะตะแปะรีบสนับสนุนว่าใช่เลี้ยวใช่เลี้ยวอีจะเอาเงงกลมมาขายให้อ้วไม่มีจะกินแล้วหรืองไง ถึงได้อาสมบัติปู่ย่าตายายออกขายกินยายกำลังอารมณ์ไม่ดีเพราะจะต้องจ่ายเงินจึงพานว่าตะคนนั้นหลานชายทําตาปริบๆอย่างร้อนตัวเพราะรู้ดีว่าคนที่ยายตาหนินั้นเป็นใครตกลงวังนี่คุงยายจะซื้ออะไรขบับซื้อชุดนักเรียนให้หลานเอาชุดเดียวก่อนนะอหน้าไอ้โน ปีหน้าค่อยซื้ออีกชุดยายบอกด้วยความเสียดายเงินอย่างสุดแสนสองชุดดีกว่าคุ้มยายจะไล่เปียงกลางตะแปะเสนอหรืออย่ามายุ่งนานี่มันหลานอ้วนะไม่ใช่หลานลือ้อยายพูดแบบพันผ่านคาบคั บ, บไม่ยุ่งก็ไม่ยุง่งตะแปะพูดอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว เด็กชายไม่แสดงความคิดเห็นเพราะยายก็คือยายไม่ว่าเขาจะคิดหรือเห็นประการใดผลสุดท้ายยายก็จะเอาตามที่ยายคิดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเห็นหลานทำหน้าสังกตาอย่างนั้น ยายจึงตัดอกตัดใจซื้อชุดนักเรียนให้เขาสองชุดเสื้อพะละหนึ่งตัวรองเท้าถุงเท้าอย่างละคู่ด้วยสนนราคาที่ตะแปะอยากจะฆ่าตัวตายหากไม่คิดว่าเด็กชายจเจริญเป็นลูกค้าเก่าแลลกกำไรที่ได้จากเงินกลมนั้นมากพอที่จะนํามาถัวกับการขาดทุนในครั้งนี้แล้วล่ะก็จะไม่ยอมขายเด็ดขาด ทันทีที่ถึงบ้านเด็กชายก็เอาเสื้อผ้ามาลองอีกครั้งเสื้อผละตัวเล็กเกินไปแต่แปะคงหยิบให้มาผิดยายจึงว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่กว่านี้สองเบอร์รีบไปเดี๋ยวนี้แหละเพราะยังไม่ทันข้ามคืนเด็กชายจึงไปปรกากฏตัวที่ร้านตะแปะอีกครั้งอาแปะอ้วเอาเสื้อมาเปลี่ยนมันคับใส่ไม่ได้ เขาวางถุงเสื้อลงตรงหน้าตะแปะยังไม่ทันจะหยิบขึ้นมาดูเจ้าของร้านผู้ชานฉลาดก็ชิงพูดเสียก่อนว่าไม่เป็นลายไม่เป็นลายเสื้ออ้วซักเลี้ยวยึกกลายถ้าอ้วซักประเดี๋ยวหรือก็ไม่ยอมให้คืนนะสิอวหลูหลอกนาเด็กชายเถียงหรือจะคึงทำไมหรือซักเลี้ยวมังยึก หรือก็ใส่ลายจะต้องมาคืนทำไมแม้จะจริงดังที่เจ้าของร้านพูดหากเขาก็ยังไม่อยากจะยอมแพ้เพราะเรื่องอะไรจะต้องใส่เสื้อที่ซักแล้วยืดอยากจะได้เสื้อที่ใส่พอดีตัวมากกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เด็กชายบอกตัวเองแล้วก็เดินกลับบ้านได้ความผิดหวังตาแป้ะแกให้เปลี่ยนหรือเปล่า ยายถามทันทีที่มาถึงไม่ให้รลบยายแกว่าเสื้อแกซักแล้วยืดได้ไม่ต้องเปลี่ยนอย่าซักเชลนาไอโน่รับรองว่าแกไม่ให้เปลี่ยนถ้าเองซักยายพูดอย่างรู้เท่าทันตับแปะผมก็คิดอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกยายพรุ่งนี้ผมจะลองเอาไปเปลี่ยนดูอีกทีเผื่อแกจะให้เด็กชายยังมีความหวัง ตอนสายของวันรุ่งขึ้นเด็กชายจเจริญไปหาเด็กชายจุกที่บ้านเพื่อชวนไปเล่นเป็นเพื่อนที่ตลาดเฮ้ยจุกไปตลาดกันหน่อยไปทำไมวะเด็กชายผู้ไว้ผมจุ ก, จกตรงกลางศรีรษะถามข้าจะเอาเสื้อยืดไปเปลี่ยนซื้อมาเมื่อวานแล้วมันใส่ไม่ได้มันคับทำไมเองไม่เอาไปเปลี่ยนเสื้อตั้งแต่เมื่อวานล่ะข้ามคืนแล้วขาจะให้เปลี่ยนหรือ เด็กผมจุกวิตกแทนก็ต้องลองดูเมื่อวานข้าไปเปลี่ยนแล้วแกไม่ให้วันนี้เลยลองไปอีกทีไปก็ไปแต่ข้าต้องตักน้ำให้เต็มหมดทุกตุ่มก่อนแม่สั่งไว้ถ้าแกกลับมาเห็นน้ำแห้งโองข้ามีหวังถูกเคี่ยนแน่เด็กชายพูดอย่างสำนึกในหน้าที่ไม่เป็นไรข้าจะช่วยตัก ไปเอากระแตงมาให้ข้าสิและเด็กชายสองคนก็ช่วยกันตักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยามาใส่ตุ่มบนเรือนจนเต็มหมดทุกใบซึ่งกว่าจะเสร็จก็เหงื่อไหลใครย้อยไปตามๆกันทำงานเสร็จแล้วคนทั้งคู่ก็พากันไปตลาดครั้นถึงร้านตะแปปะเด็กชายเจริญก็ส่งถุงเสื้อให้เปลี่ยนคำพูดเสใหม่ว่าอาแปะ ยายอัวให้เอาเสื้อมาเปลี่ยนเขาต้องอ้างยายเพื่อขมขวัญตาแปะ๊ะเปลี่ยนทั้ไม้มันหลวมเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามันครับและแกก็ไม่ให้เปลี่ยนวันนี้จึงต้องบอกว่ามันหลวมเมื่อแกตกลงยอมให้เปลี่ยนค่อยเลือกเอาตัวที่ใหญ่กว่าตัวนี้สองเบอร์ต่างที่ยายสั่งมาไม่เป็นลายไม่เป็นลาย เสือล่างอ้วซักเลี้ยวหกกลายคำพูดของตะแป๊ะทำให้เด็กชายชวนเพื่อนเดินออกจากร้านในทันทีเขารู้ว่าขืนต่อล้ะต่อเทียงไปก็ไร้ประโยชน์ยิ่งแกรู้ความลับเรื่องที่ขโมยเงินกลมของยายมาขายก็ยิ่งไม่เป็นการสมควรที่จะไปมีเรื่องกับแกทางที่ดีควรผูกมิดไมตรีเอาไว้ก่อน จะได้พึ่งพาอาศัยกันในวันข้างหน้าความที่อยากได้กระเป๋านังสือใหม่เด็กชายเจริญจึงไปหาลงเคยซึ่งเขาเรียกว่าอาแปะป้าเหรียญมีสามีเป็นคนจีนซึ่งขยันทำมาหากิน ถึงกระนั้นยายก็ไม่นิยมชมชอบเขยคนโตทั้งนี้เพราะเขาประกอบมิจฉาอาชีวะอาชีพของเขาก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ฆ่าขายวันหนึ่งวันหนึ่งเขาจะฆ่ามันนับสิบตัวเพื่อนําไปขายในตลาดยิ่งเทศกาลตรุษจีนเขาจะฆ่านับร้อยๆตัวเลยทีเดียวเด็กชายไปรับจ้างลุงเขยเชือดคอไก่ เป็นวันที่สามโดยที่ยายไม่รู้เหลือเวลาอีกสองวันโรงเรียนจะเปิดหากเงินที่ได้ยังไม่พอซื้อกระเป๋าเขาก็จะหนีโรงเรียนมาช่วยอาแปะทุกวันว่าที่จริงแล้วเขาชอบงานแบบนี้มากมันสนุกและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกวันแรกที่เขามาทำงานลุงเคยได้แสดงวิธีเชือดให้ดูไก่และเป็ด ที่นำมาเชื่อจะถูกขังไว้ในสุ่มใบใหญ่ซึ่งแบ่งเป็นสุ่มไก่และก็สุ่มเป็ดตัวเมียจะถูกฆ่ามากกว่าตัวผู้ลุงเขยจะเลือกตัวที่ให้ปริมาณไข่น้อยมาฆ่าก่อนตัวที่ไข่ดกจะถูกแยกไว้ให้ทาหน้าที่ผลิตไข่ครั้นหมดสมรรถภาพลงเมื่อใดก็จะถูกนำมาฆ่าขาย ป้าเหรียญกับลุงเขยไม่มีลูกด้วยกันจึงต้องจ้างเข้ามาช่วยลุงเขยโทษว่าเพราะป้าเหรียญดื่มเหล้าจึงทำให้มีลูกไม่ได้ข้างฝ่ายป้าเหรียญก็โทษลุงเขยว่าไม่ทำตัวให้แม่ยายรักแกจึงกลุ้มใจหันไปเป็นเพื่อนกับเล่าไอ้หนูมาอยู่กับอาแปะไม่ล่ะจะได้มีเงินใช้เยอะๆ ลุงเคยชวนตั้งแต่วันแรกที่มาทำงานแม้จะมาจากเมืองจีนแต่แกก็พูดไทยชัดปาเหรียนซิอีกที่พูดไม่ชัดทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเพราะเสียงอ่อแอ่ อ, อแออยู่ในลำคอเวลาที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะแกเมาเช้าเมาเย็นไม่เว้นเลยสักวันยายคงไม่ให้มาหรอกครับเด็กชายตอบ เมื่อเอ่ยถึงแม่ยายซึ่งไม่ใช่แม่ของยายแต่กลับเป็นแม่ของเมียคนที่มีศักดิ์เป็นเขยจำต้องนิ่งในโลกนี้จะหาใครที่เขาเกรงและกลัวเท่าแม่ยายไม่มีอีกแล้วไม่รู้วันนี้จะมีไก่ขันอีกหรือเปล่านะอัปแปะดเด็กชายถามขณะเชือดคอไก่แล้วก็โยนลงในกระทะซึ่งมีน้ำกำลังเดือด เสร็จแล้วจึงจับขึ้นมาทอนขนออกวันที่ลุงเขยแสดงวิธีเชือดเป็ดและไก่ให้เขาดูเป็นตัวอย่างนั้นได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นทำให้เขากับลุงเขยตื่นเต้นนักกกราคือเมื่อลุงเขยจับแม่ไก่ตัวแรกขึ้นมาเชือดแล้วก็โยนลงกระทะแม่ไก่ตัวนั้นกลับบินทยานขึ้นพร้อมกับส่งเสียงขันเอ๊อีเ อ, เอดังลั่น แล้วก็ร่วงพลอยลงไปในกระทะตามเดิมนั่นสิอาแปะยังประหลาดใจไม่หายไก่ตัวเมียแท้ๆแถมถูกเชือดคอแล้วก็ยังบินขึ้นได้ขันได้บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อป้าเองเขายังไม่เชื่อเลยนั่นสิครับผมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังพวกมันหาว่าผมโม้ พวกนั้นไม่มีบุญร่วมทั้งป้าเองด้วยสู้เราสองคนไม่ได้จริงไหมคนเป็นลุงเขยสรุปแบบเข้าข้างตัวเองครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาละเองเชือดไก่ไปนะวันนี้เอาแค่สิบตัวพอส่วนเป็ดต้องขอ ง, งดสักวันเพราะขายไม่ค่อยดีอ่าแปะจะไปไหนหรือครับไม่ไปไหนหรอกอ่าแปะจะหันผัก แล้วก็สับไว้ครุกกับรําข้าวให้เป็ดมันกินเองเชือดไก่ไปคนเดียวก็แล้วกันสามีนางเหรียนแยกไปนั่งหั่นผักห่างจากเด็กชายออกไปสองว่าไอ้หนูเอาแปะมีลเรื่องคำๆจะเล่าให้ฟังอยากฟังหรือเปล่าลุงเขยส่งเสียงคุยมาฟังครับเด็กชายตอบขณะที่ใช้มีดเชือดคอไก่รู้สึก กรำคาญที่มันดิ้นรนและส่งเสียงร้องกะตากกะตากแสบแก้วหูเมื่อวานตอนเองกลับไปแล้วมีลูกค้าเข้ามาต่อว่าอับแปะลุงเคยเล่าต่อว่าเรื่องอะไรครับเด็กชายถามเขาว่าอัปแปะไปหลอกต้มเขาหน่ะสิและอัปแปะทํทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าล่ะเมื่อถูกถามบุรุษวัยห้าสิบอึ้งไป พักหนึ่งจินตอบเสียงอ้อมแอมว่าเขาอยากโง่เองคือเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาเขามาขอซื้อลูกเจี๊ยบตัวเมียบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงไว้กินไข่บังเอิญตัวเมียเพิ่งขายหมดไปก่อดหน้าที่เขาจะมาเหลือแต่ลูกเจี๊ยบตัวผู้ที่ขังไว้ในสุม่มอาแปะก็บอกเขาว่าตัวเมียหมดตัวเมียหมด เขานึกว่าที่ขังอยู่นั่ น, นเป็นตัวเมียหมดก็เลยซื้อไปพ่อไก่โตถึงได้รู้ว่ามันเป็นตัวผู้เลยมาต่อว่าลุงเคยเล่าพรางก็หัวเราะหึหึถ้าเป็นผมผมไม่มาต่อว่าให้เสียเวลาทำมาหากินหรอกก็ตัวโง่ให้เขาหอกเองยังจะมีหน้ามาต่อว่าเด็กชายพูดเข้าข้างสามีของป้า นั่นสิคนโง่ก็ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดจริงไหมไอ้หนูจริงครับเด็กชายตอบรู้สึกถูกอัธยาศัยกับลุงเขยเป็นพิเศษเพราะมีอะไรอะไรคล้ายคลึงกับตนเงียบกันไปพักหนึ่ง เด็กชายก็ต้องประหลาดใจเมื่อเสียงร้องกะตากกะตากดังลั่นมาจากที่ลุงเขยนั่งครันหันไปดูก็เห็นแก่นอนดิ้นพลาดพลาดปากร้องกะตากกะตากดุดเสียงไก่โลหิตสีแดงสดไหลออกมาทางปากทางจจูกและทางหูเขาละมือจากงานที่ทำวิ่งไปหวังจะช่วยหาก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ ตาของชายวัยห้าสิบเหลืออขึ้นดุจเดียวกับตาไก่ตอนที่มันถูกเชือดภาพของแม่ไก่ที่โผบินขึ้นจากกระทะแล้วส่งเสียงขนยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำเด็กชายยืนตะลึงเขาคิดตามประษาเด็กว่าแม่ไก่ตัวนั้นจะต้องเป็นปีศาจแล้วก็มาเอาชีวิตคนที่ฆ่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาเกิดความกลัวอย่างประหลาด เด็กชายยกมือทั้งสองขึ้นในท่าประนมอธิษฐานดังๆต่อหน้าคนที่นอนดิ้นพลาดพลาดเลือดท่วมใบหน้าเจ้าประคุณลูกช้างกลัวแล้วอย่ามาเอาชีวิตลูกช้างเลยลูกช้างขอสาบานว่าจะเลิกฆ่าไก่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปศพของลุงเขยถูกนำมาตั้งไว้ที่วัดศรัทธาพิรมผู้ที่เป็นหัวเรียวหัวแรงของงาน ก็คือยายเพราะนางเหรียนนั้นเมื่อรู้ว่าผัวตายก็ไม่เป็นอันทรรมอะไรนอกจากร้องไห้กับดื่มเหล้าหนักขึ้นยายจัดงานสวดพระอภิธรรมศพให้เขยใหญ่ห้าคืนแล้วเจนชาปนากิจในวันเผาศพหลังจากญาติญาติและเพื่อนบ้านกลับกันหมดแล้วเด็กชายเจริญแอบไปหาสมพานและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังอย่างละเอียด เป็นไปได้หรือครับหลงตาที่ไก่ถูกเชือดแล้วยังบินได้แถมยังขันได้อีกด้วยทั้งที่เป็นไก่ตัวเมียเด็กชายถามหลังจากเล่าจบภาพของแม่ไก่และลุงเคยรบกวนจิตใจเขามากจนนอนไม่หลับในที่สุดจึงตัดสินใจมาเล่าให้สมภารฟังเผื่อท่านจะช่วยได้ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เจ้าเล่ามา ก็แสดงว่าไก่ตัวนั้นมันมีแรงอาฆาตสูงแล้วมันจะจองเวรจองกรรมกับลุงเขยของเจ้าและที่แกร้องเหมือนไก่ตอนก่อนตายก็เพราะกรรมนิมิตกรรมนิมิตคืออะไรครับหลวงตาเด็กผมแกกถามคือเครื่องหมายของกรรมเวลาที่คนกําลังจะตายนั้นนิมิตหรือเครื่องหมายสามอย่างจะมาปรากฏคือกรรม กรรมนิมิตและคตินิมิตใครทำกรรมอะไรไว้ก่อนตายเขาจะนึกถึงกรรมนั้นเช่นคนที่เคยฆ่าไก่เวลาจะตายก็จะนึกถึงกรรมที่เคยฆ่าไก่ก็จะแสดงกริยาเยี่ยงไก่เช่นการส่งเสียงร้องแบบไก่เรียกว่ากรรมนิมิตและเมื่อเขาตายไปก็จะไปตามกรรมนั้นเรียกว่าคตินิมิตแปลว่าเครื่องหมายที่จะนาไปเกิด แสดงว่าเอาแปะต้องไปเกิดเป็นไก่เพื่อใช้กรรมใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นได้ส่วนคนที่ทำกรรมดีมามากเวลาตายเขาจะระลึกถึงกรรมนั้นกรรมนิมิตก็อาจจะออกมาในรูปเห็นบุตรสบกทองมารองรับแสดงคตินิมิตว่าจะไปเกิดในสวรรค์สมัยพุทธกาลเรื่องทำนองนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เจ้าอยากฟังหรือเปล่าถ้าอยากหลวงตาจะเล่าให้ฟังอยากครับเขาตอบท่านสมภารจึงเล่าว่าครั้งหนึ่งบรรดาพระภิกษุได้เห็นชายผู้หนึ่งกำลังจะตายเขาส่งเสียงร้องเหมือนหมูและก็ดิ้นพลาดพลาดแบบเดียวกับหมูที่ถูกน้ำร้อนกรอกปากเมื่อชายคนนั้นตายลงภิกษุก็พากันไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่า เหตุใดชายผู้นั้นจึงร้องอย่างหมูพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเป็นเรื่องของกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตแล้วตรัสบุพกรรมหมายถึงกรรมในอดีตของชายผู้นั้นว่าเคยมีอาชีพฆ่าหมูขายสมภารอธิบายและจึงเล่าต่อถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเวีนกรรมมีจริงใช่ไหมครับหลวงตาเด็กชายถาม รู้สึกวันวาดเมื่อนึกย้อนไปถึงวันเก่าๆที่เขาสร้างกรรมทำเวรไว้มากมายนะักภิกษุสูงวัยมองหน้าเด็กชายอย่างพินิษพิเคราะห์แล้วก็ตอบว่ามีนะสิถ้าเจ้ากรวดทุกก็จงอย่าไปก่อกรรมทำชั่วเข้าใจไหมเข้าใจครับผมจะเลิกฆ่าไก่โดยเด็ดขาดลงตาช่วยผมด้วย อย่าให้ปีศาจไก่ตัวนั้นมาเอาชีวิตผมนะครับเด็กชายรู้สึกกลัวตามปราสาเด็กตกลงตกลงและหลวงตาจะช่วยมาก้มหัวมาหลวงตาจะเป่าให้เด็กชายแกลทําตามเสียงท่านว่าคาถาเงิมเงิมงิมงิมแล้วเป่าเพียงเพียงสามครั้งเด็กชายมีความรู้สึกเหมือนท่านพ่นน้ำลายใส่ศีรษะของเขา กระนั้นก็เกิดความอบอุ่นใจอย่างประหลาดคืนนี้เขาคงจะนอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายเช่นคืนก่อนๆ ก, กลาบลาสมพานแล้วเด็กชายวัยสิองจึงเดินกลับบ้านปานจะนิยายคงบ่นหาแล้ว